ก็ราบบูชาปริทนาไตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลว ง, งพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถหว้ ข, ขา้าวกรพมายังพระอ า, า, าจารย์ไพศาลบุคคลพระเถระครูบาอาจารย์เพื่อนสาธรมิกเจริญพรมายังแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาทุกท่าน <c oughs> ก็นั่งกันตามปกติเนาะ อ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่9ตุลาคมพุทธศักราช2557ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน11 <c oughs> ก็ผ่านไปเนาะวันออกพรรษา <c oughs> <c oughs> วันนี้จะขอนําบทกวีของท่านอังคารกาญจนาพงศ์ ก, กวีรัตนโกศิน น, นำเรื่อง <c oughs> เป็นกวีสั้นๆนแต่ก็มีความหมายดี <c oughs> ท่านบอกไว้ว่าน้ำไหลอายุไขก็ไหลล่วงใบไม้ร่วงชีพก็ร้างอย่างฝันพระชีวาคือพระคืนวันจะ ก, กำนัน โลกนี้ที่งานใดที่งานใด <c oughs> บทกวีบทนี้ก็ เ, เป็นวักทองนะที่ท่านกล่าวถึงเรื่องของเวลานะที่เลื่อนไหลไปนะชีวิตของคนเราก็เปลี่ยนแปลงไปนะแล้วก็พูดง่ายๆก็คือตายไปสิ้นสุดไป เราจะทำอะไรให้กับโลกนี้ที่จะเป็นประโยชน์ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราก็มีตั้งแต่ประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์เบื้องหน้าแล้วก็ประโยชน์สูงสุดประโยชน์ปัจจุบันก็คือการที่เราทำอาชีพการงานทำสิ่งต่างๆที่ เลี้ยงตัวเราเองนาะดูแลตัวเราเองนะไม่เป็นภาระกับคนอื่นนะดูแลครอบครัวแลนะก็ <c oughs> สังคมนะที่เราเป็นอยู่นะซึ่งตรงนีนะ้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราส่วนใหญ่ก็ได้รู้จักคุ้นเคยและก็ได้ทำกันอยู่เป็นประจำนะเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้ว <c oughs> ทีนี้ในประโยชน์เบื้องหน้า นะก็คือสิ่งที่เราทำนะในทางด้านจิตใจนะก็คือการทำคุณงามความดีนะการทำประโยชนนะ์ให้กับผู้อื่นนะทำประโยชน์ให้กับสังคมนะการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือนะว่าการทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนะเป็นคุณธรรมนะเป็นประโยชน์เบื้องหน้า <c oughs> ซึ่งตรงนี้เนี่ยบางส่วนก็พูดว่าเป็นประโยชน์ชัดหน้าก็มนะีนั้นก็เป็นเรื่องที่จะว่ากันไปนะแล้วก็ประโยชน์สูงสุดนะในทางพุทธศาสนานะก็คือการที่เรามา <c oughs> ทำเรื่องของจิตใจนะให้สามารถที่จะหลุดพ้นหะรือว่าออกจากความทุกข์ไดนะ้ซึ่งอันนี้เป็นประโยชน์สูงสุดนะที่พุทธองคนะ์ได้กล่าวเอาไว้ ตนะซ่งตรงนี้นี่แหละนะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่นะไม่ค่อยรู้จักกันนะเรารู้จักแต่ประโยชน์ <c oughs> ปัจจุบันนะประโยชน์เบื้องหน้าแต่ประโยชน์สูงสุดนั้นเราไม่ค่อยได้ทำกันเท่าไหรนะ่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะเพราะว่าเวลาเนี่ยย่อมเกลื่นกินตัวมันเองแล้วก็สัมพัสสัทั้งหลายนะชีวิตผ่านไปเวลาผ่านไป นะชีวิตของเราก็สั้นลงไปเรื่อยๆนะเรียกว่าเดินเข้าไปสู่ความตายนะอยู่ทุกเวลานาทีนะซึ่งตรงนี้นนะก็เป็นเรื่องที่เราคงต้องตระหนักและก็ไม่ประมาทนะในการที่เราจะมีชีวิตในการที่เราจะใช้ชีวิตนะวันออกพรรษาก็ดนะีวันต่างๆก็ดีนั้นเป็นเพียงเรื่องสมมตนะิที่เราสมมติกันขึ้นมานะซึ่ง <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพอจะเข้าใจนะว่าเป็นกำหนดขึ้นมาเพื่อที่จะได้อยู่อาศัยในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพื่อที่จะได้ฝึกฝนอบรมตัวเราเองแล้วก็ได้เตรียมเตรียมการสำหรับสิ่งต่างๆหลังจากออกพรรษาแล้วบางคนบางท่า น, นก็อาจจะจาริกไปในที่ต่างๆบางคนบางท่านก็ กลับไปสู่แค่สถานบ้านเรือนนะไปทำอาชีพไปทำการทำงานของตัวเองนะหรือบางคนต้องไปรับราชการกลับไปทำงานในที่เดิมนะตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ <c oughs> เป็นไปเนาะตามความเปลี่ยนแปลงนะตามความเป็นไปที่เป็นอยู่นะหรือดูการเปลี่ยนไปนะตัวเราก็เปลี่ยนไปด้วยนะหน้าที่ นะหรือว่าบทบาทต่างๆก็เปลี่ยนไปนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคงต้องมาพิจารณาดูว่าเราจะทําอะไรนะ่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะกับตัวเราเองกับสังคมกับประเทศชาติกับโลกนี่เป็นเรื่องที่น่าใคร่ครวญเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ออกบรรษาก็คงจะไม่ใช่เป็นเวลาที่เราไป <c oughs> เหมือนกับออกไปจาก ที่กักขังนะหรือว่าที่ที่กัก บ, บริเวณนะบางคนถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ก็จะรู้สึกไม่ค่อยสบายนะเหมือนกับโอ้โหโดนขังอยู่นะถึงเวลาออกไปก็กระโดดโลดเต้นเลยนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะทาให้เกิดความเสียหายนะกับตัวเราเองนะหรือว่าเกิดความไม่เกิดความประมาท นะตัวผมนิตธมาเองเคยมีประสบการณนะ์มีหลานชายคนหนึ่งนะได้มาบวชเมื่อตอนปี 2-5 หนะพร้อมกันแล้วก็สึกออกไป <c oughs> นะพอสึกออกไปก็ไปเที่ยวไปกินนะดื่มเหล้าเมายาเที่ยวเตรเฮหานะสุดท้ายก็ไปมีเรื่องทะเลาะชกต่อยกันนะไปแทงคู่อรนะิก็ถึงกับต้องโดน จับติดคุกนะสิบปีนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ <c oughs> คงจะในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็คงจะอึดอัดพอสมควรเนาะพอออกไปก็ปล่อยเต็มที่เลยนะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะสำหรับการที่เราจะออกไปสู่สังคมนะข้างนอกนะหรือว่ายาิโยมก็ดีเนาะที่มา อยู่จำพรรษาก็ดีหรือม า, อาถือศีลกันก็ดีนะตรงนี้เนี่ย <c oughs> ก็ถือว่าเราได้มาขัดเกลาได้มาฝึกฝนอบรมตัวเราเองนะเพื่อที่จะได้นำเอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้การฝึกอบรมเนี่ยไปใช้ในชีวิตในโลกนะให้เป็นชีวิตที่ตื่นรู้นะเป็นชีวิตที่ไม่ประมาทนะเป็นชีวิตที่กลมกลืน ไปกับธรรมชาติาที่เป็นปกติไม่ใช่ไปใช้ชีวิตสำมมเลเทเมาเพลิดเพลินไปนกับโลกนาที่ย่วเยาย่วยว น, นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เคยมีพุท ธ, ทธศาสนาสุภาษิตพูดไว้เหมือนกันนะว่าโลกนี้ลุกเป็นไฟยังจะมัวเริงร่าอะไรกันอยู่ซึ่งคำคำนี้เนี่ยก็ เราฟังเราก็ไม่ไม่เข้าใจโลกมันเป็นไฟได้ยังไงมันเพลิงเพลิงได้ยังไงนะโลกในที่นี้ก็คงหมายถึงในจิตใจของเรานั่นแหละนะเรารุ่มร้อนนะด้วยความ <c oughs> ด้วยความโลภด้วยความโกรธ ด, ด้วยความหลงนะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะเราก็เลยไปสแสวงหานะความสนุกสนานความพเพลิดเพลินนะจากสิ่งข้างนอกนะ ในยิ่งยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้นะช่วงหน้าหนาวเนี่ยเป็นช่วงเทศกาลเนาะมีงานฉลองมีงานรื่นเริงนะต่างๆมากมายซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นธรรมด า, าของโลกที่เราจะต้องมีงานเทศกาลงานสนุกสนานนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นความสุขเป็นความเพลิดเพลินนะที่ในสังคมในโลกทั่วไปก็เป็นกันอยู่นะในแง่ของผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรม นะในเรื่องของจิตใจนะก็คงจะเห็นแล้วว่าความสุขชนิดนั้นก็เป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวนะเป็นความสุขที่ไม่เจรังยั่งยืนเท่าไรนักนะก็เสพได้แต่เสพอย่างรู้เท่าทันนะอย่าประมาทนะอย่าเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นจนลืมเนื้อลืมตัวนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีสิ่งยั่วยั่มากมายนะแล้วก็ทาให้ลืมเนื้อลืมตัว อาตอมาเรียกว่าเทศกาลอย่งการลืมตัว ไ, ไม่ใช่เทศกาลอย่งการรู้ตัวนะมีเสียงเพลงมีกิจกรรมมีงานต่างๆมากมายนะซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องของการที่ <c oughs> คนในสังคมก็คิดว่าเออได้ปลดปล่อยนะได้ปลดปล่อยความทุกข์ความกดดันนะจากทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเมืองเรื่องครอบครัวนะเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน นะเรื่องในครอบครัวต่างๆนะอันนี้ก็เป็นแรงกดดันนะที่ทำให้มีความทุกขนะ์มีความเดือดร้อนนะก็รู้สึกไม่สบายก็ไปหาทางออกนะโดยการที่ไปสนุกสนานรื่นเริงนะซึ่งตรงนั้นก็ช่วยนะบรรเทาผ่อนคลายได้เป็นชั่วครั้งชั่วคราวนะแต่ผู้ที่ <c oughs> ได้มาเจริญสตนะิได้มาเรียนรูนะ้เรื่องของจิตใจของเราเนี่ย เราเจนได้เลยว่าความทุกเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ในใจของเราเราจะแก้ได้โดยการกลับมาเรียนรู้ความทุกนั้นลงไปตรงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยเครื่องมือนะก็คือสติปัญญานะหรือความรู้สึกตัวนั่นเองนะตรงนี้น่ยจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างตรงจุดนะเป็นการแก้ปัญหาที่สามารถที่จะจบได้แล้วก็พึ่งได้ นะการที่เราไปพึ่งสิ่งแวดล้อมก็ดีบุคคลก็ดีนะ น, นั้นก็ช่วยได้ช่วครั้งช่วคราวแต่เราก็ไม่เห็นปัญหาไม่เห็นความทุกข์ที่แท้จริงไม่เห็นสายที่แท้จริงว่าความทุกข์เนี่ยนะมันเกิดจากอะไรนะแล้วก็จะแก้ได้อย่างไรเพราะนั้นตรงนี้การแก้ไขปัญหาก็ยังไม่สิ้นสุดนะประโยชน์สูงสุดที่เราจะพึงได้รับนะก็ยังไม่ได้รับเต็มที่ เรียกว่าเราก็ยังสนุกสนานกันต่อไปนะจนถึงจุดหนึ่งนะบางคนอาจจะเกิดความเ <c oughs> บื่อหน่ายขึ้นมาเกิดความรู้สึกว่าเออมันไม่มีอะไรนะก็เริ่มหันกลับมานะถามตัวเองว่าเอะมันมีอะไรที่มันมีมากกว่านี้ไหมนะมันมีทางแก้ไขที่ดีกว่านี้ไหมมันมีทางออกนะที่จะออกจากความหนัก อ, อกหนัก ใ, ใจความทุกข์ในใจเนี่ย นะแทนที่จะไปสนุกสนานเพลิดเพลิน อ, อะไรเนี่ยมันมีทางออกทางทางอื่นไหมนะตรงนี้แหละเป็นจุดที่จะเข้ามาสู่นะการเรียนรู้เรื่องจิตเรื่องใจและความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจตรงๆเพราะฉะนั้น <c oughs> การทําประโยชน์นะสูงสุดนะให้กับชีวิตนะก็คือการที่เรากลับมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเรานี่เองนะ <c oughs> เราทำบุญให้ทานรักษาศีลก็เป็นเรื่องดีน่าเป็นบาดฐานสำคัญาที่จะให้เราได้มาเรียนรู้ในเรื่องกายเรื่องใจของเราโดยเฉพาะการทำภาวนาหรือการทำกรรมฐานอันนี้ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญของชีวิตในการที่จะเกิดมาหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่สำคัญนเป็นเรื่องที่เอาไว้ก่อน เดี๋ยวเราเค่อยทำวันหลังก็ได้นะพอความเจ็บป่วยเข้ามาความตายเข้ามาเรียกหาแล้วบางทีมันก็ไม่ทันการเราไม่ทันการที่จะไปใช้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย <c oughs> การมีชีวิตนะที่ไม่ได้มาสนใจไม่ได้มาศึกษาเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นความประมาทนะความประมาทอันหนึง่งนะที่ทำให้เราตายไปจาก สิ่งที่จะได้รับประโยชนนะ์เป็นสิ่งที่เราจะไม่ได้รับประโยชน์เต็มทีนะ่จากการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะได้พบพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเ <c oughs> มื่อเรารักษาให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดนะีเราควรจะต่อยอดเนาะให้ทานรักษาศีล น, นี่ก็เป็นบุญนะทําให้เรามีความสุขนะความสุขใจนะเราต่อขึ้นไปเป็นกุศลซะ กุศนะลก็คือความฉลาดนะความฉลาดในการที่จะเรียนรู้ความทุกขนะ์ที่จะเกิดขึ้นนะในจิตใจของเรานะเรียนรู้มันทุกแง่ทุกมุมนะเรียนรู้สาเหตุของมันนะตรงนี้มันจะเฉลอยออกมานะซึ่งตรงนี้เราก็จะใส่สติปัญญาหรือความรู้สึกตัวนะที่ได้จากการฝึกฝนะในช่วงที่ผ่านมาสามเดือนนะสำหรับผู้ที่อยู่จำพรรษา นะสำหรับผู้ที่มาเป็นครั้งคราวแล้วก็คงจะได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้บ้างเนาะแล้วก็ <c oughs> คงได้สัมผัสนะสิ่งเหล่านี้บ้างซนะึ้นตรงนีนะ้จะเป็นเครื่องมือสำคัญนะที่เราจะเอาไปใช้นะในชีวิตประจำวันนะเอาไปใช้ในการที่จะดำเนินชีวิตนะให้เป็นไปอย่างผาสุกนะแล้วก็เป็นชีวิตที่รู้เท่ารู้ทันนะ กิเลตันหาอุปทา น, นซึ่งเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนมื่อเราไม่รู้ตัวเมื่อเราเผลอตัวเมื่อเราลืมตัวตรงนี้เป็นจุดสาคัญเพราะฉะนั้น <c oughs> ผู้ที่เจริญสติผู้ที่ฝึกฝนอบรมมาแล้วก็คงจะมีเครื่องมือสำคัญล่ะที่จะเอาไปใช้ในการดาเนินชีวิตแล้วก็คงจะไม่หลงมัวเมาไปใน <c oughs> ความสนุกสนานเฮหาเพลิดเพลินหนะ้าที่โลกเขามีอยู่แต่ตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่า <c oughs> เราจะกลายเนเก็บเนื้อเก็บตัวเราจะไม่สูงสิง์เราจะไม่ยุ่งอะไรไม่ใช่นะเราก็คงยังทําหน้าที่หน้าที่มีอยู่ในสังคมนะเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องดูแลกันไปนะลูกหลานนะมีหน้าที่การงานอะไรเราก็ยังทําตามปกตินะแต่ว่าเราทําด้วยความไม่ทุกข์ นะทำด้วยสติด้วยปัญญานะแล้วก็ <c oughs> สัมผัสหรือเสพกับความสุขนะที่ได้จากความเป็นปกติของใจนะอยู่บ่อยๆเพราะนั้นความสุขเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องไปเสียเงินเสียทองไปวิ่งหาที่ไหนเลยนะมันมีอยู่แล้วในจิตในใจของเรานั่นแหละนะในขณะที่จิตมันปกตินะมันแสดงปรากฏอยู่ <c oughs> ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยนะ ความรู้สึกตัวหนะ้าที่ได้รับการฝึกฝนแล้วที่ได้เอ่อมันเพลี่ยนนะในการที่จะทำอย่างต่อเนื่องนะโดยเฉพาะย่างยิ่ง <c oughs> สามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะบางคนก็ได้ฝึกมากบางคนได้ฝึกน้อยนะบางคนก็พอจะรู้นะวิธีการนะแล้วก็พอจะพึ่งพาตัวเองได้นะแต่บางคนอาจจะยังเอ่อไม่ได้เท่าไหร่ยังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรมันจะใช้อย่างไง นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ เ, เราก็คงต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังให้มากขึ้นนะแล้วก็ฝึกฝนนะต่อเนื่องต่อไปให้ถือว่าเป็นเป็นภารกิจนะเป็นงานที่สำคัญอีกการหนึ่งของชีวิตนะเป็นการให้อาหารแก่ใจนะความรู้สึกตัวเนี่ยเราให้อาหารกับกายวันละสามมือ้อนะเราให้อาหารใจ วันละเท่าไหร่นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ให้อาหารใจเลยเราก็จะมีความรู้สึกว้าเวรู้สึกหิวโหยรู้สึกขาดความอบอุ่นหรืออาจจะมีความรู้สึกเครียดนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงออกถึงความที่เราไม่มีอาหารที่จะหล่อเลี้ยงใจนั่นเองเพราะฉะนั้น ในการที่เร า, เ อ, าออกพรรษานะเราไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะเราก็ยังคงดำเนินชีวิตนะเป็นปกติสุขนะดำเนินชีวิตไปด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความรู้สึกตัวนะทำไปเรื่อยนะทำเรื่อยไปนะอย่าไปทิ้งนะนี่เป็นสิ่งสาคัญนะเป็นสิ่งสาคัญของชีวิตนะเป็นประโยชน์สูงสุดนะที่เราพึงจะกระทําให้กับตนเองซึ่ง เมื่อเราก็ทำให้กับตนเองได้แล้วนะเราก็สามารถที่จะเผื่อแผนะ่ไปให้กับคนใกล้เคียงคนในครอบครัวคนในที่ทำงานนะคนในสังคมนะตรงนี้มันก็จะแพ่กระจายออกไปนะแล้วเราก็ <c oughs> จะมีชีวิตที่เป็นปกติสุขนะเป็นชีวิตที่มีปัญหาน้อยลงไม่ใช่ว่าไม่มีปัญห า, านะแล้วก็ <c oughs> เราก็จะ <c oughs> ได้สัมผัสกับความจริงนะที่แสดงตัวแสดงตนอยู่ตลอดเวลานะก็คือความแปรปลุนความเปลี่ยนแปลงหรืดูการเปลี่ยนจิตใจเราเปลี่ยนไหมนะเวลาเจ็บป่วยใจเราป่วยด้วยหรือเปล่าหรือแม้แต่ความตายมันเข้ามาใกล้นะความตายนี่มันไม่ได้เลือกนะว่าอายุเท่าไหร่แต่มันมาพร้อมทุกเวลา นะที่มีจังหวะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าไม่เป็นไรเรายังหนุ่มยังสาวเรายังอายุไม่มากนะเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆสนุกสนานเฮีากันไปนะโดยที่ไม่ได้ <c oughs> เตรียมเนื้อเตรียมตัวในการที่จ ะ, ะเผชิญนะกับความตายที่จะมาถึงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยในพรรษานี้เนี่ยเราได้มีเอ่อต้นแบบตัวอย่างนะที่หลวงพ่อคาเขียน ได้แสดงให้เราดูนะซึ่งตรงนี้นะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะจําเอาไว้นะแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคงจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างนั้นนะเมื่อถึงเวลาการไปอย่างสงบการไปอย่างที่ไม่หวัดหวั่นกับความตายนะอันนี้เป็นเรื่องที่นะ่าเป็นงานที่ท้าทายนะของการมีชีวิต นะของการที่เราได้เกิดมาแล้วก็ในที่สุดมันก็จะต้องตายไปแน่นอนนะความตายเนี่ย <c oughs> ไม่พ้นะเพราะนั้นเราเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมหรือยังนะเราเตรียมตัวเตรียมใจที่จ ะ, ะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้หรือยังจริงๆความตายเนี่ยนะมันมาเตือนเราอยู่ตลอดเวลานะจะเป็นความเจ็บความปวดความเมื่อยนะความ ป่วยไข้เนี่ยอันนี้มันก็เป็นเป็นลูกน้องของพยาแมาจุลัดอยู่แล้วนะมันมาเตือนเราอยู่ตลอดเวลานะเราเราเราสังเกตเห็นไหมเรารู้มันไหมเราตระหนักมันไหมนะหรือว่าการที่มีคนนู้นตายคนนี้ตายเนี่ยเราได้ตระหนักขึ้นมาบ้างไหมนะหรือว่าก็ก็ก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคงจะ <c oughs> นำมาพิจารณาเนาะเพื่อให้การดําเนินชีวิตเนี่ยเป็นไปด้วยความไม่ประมาทนะซึ่งความไม่ประมาทนี้ก็คือการมีชีวิตนะที่มีสติมีปัญญามีความรู้สึกตัวนะเออพระพุทธองค์ได้กล่าวไว้ว่า <c oughs> ความประมาทเป็นห น, นทางแห่งความตายแะความไม่ประมาทเป็นห น, นทางแห่งความไม่ตายนะคําว่าไม่ตายในที่นี้เนี่ย <c oughs> ก็คือการที่เราพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญนะกับความตายทางร่างกายนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้สะดุ้งสะเทือนนะกับสิ่งที่จะมานะที่จะมาที่จะมาะเผชิญที่เราจะต้องประสบพบเห็นนะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ท้าทายนะกับการที่เร า, เาจะมีชีวิตต่อไปนะเพราะฉะนั้น <c oughs> เรื่องของเวลาเรื่องของชีวิต นะมันก็จะผ่านไปผ่านไปนะเราทําอะไรให้เกิดประโยชน์เต็มที่หรือยังเหนะมันยัง ม, มีบทพิจารณาว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยูนะ่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดพิจารณาเหมือนกันในการที่เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปนะเราควรจะทําอะไรให้ดีที่สุดนะกับการเกิดมาในครั้งนี้นะการทําประโยชน์นะ ให้กับตนเองให้กับผู้อื่นให้กับโลกนะเป็นเรื่องที่ควรจะกระทำนะหรือไม่อย่างไรนะเป็นสิ่งที่เราน่าจะได้พิจารณาหรือนะ เ, เราคิดเพียงประโยชน์ส่วนตนนะสนุกสนานเฮฮาไป เ, เท่านั้นเองนะวันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไปนะแล้วก็ <c oughs> จมอยู่กับความทุกข์ความเศร้า ความว wow ้าววาความเครียดนะชีวิตอย่างนี้เป็นชีวิตที่ตายไปแล้วตายไปจาก <c oughs> ความเป็นปกติของจิตใจนั่นเองแต่ชีวิตที่อยู่ด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวนะด้วยความเป็นปกติของจิตใจอันนี้เป็นชีวิตที่ไม่ตายแม้ว่าร่างกายมันจะตายไปนะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าที่จะได้พิจารณาเหมือนกัน นะเมื่อวันเวลาผ่านไปฤนะดูการเปลี่ยนไปนะเรายัางคงนะที่จะฝึกฝนรบรมต่อไปถ้าตาบใดที่ยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกนะอย่างที่พรุทธองค์ได้กล่าวไว้ครูบ า, าจารยนะ์ท่านได้พูดเอาไว้นะโดยเฉพาะหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคําเขียนนะหรือครูบ า, าจารย์ต่างๆนะท่านก็พูดว่าทางนี้มันมีนะทางแห่งความไม่ตายเนี่ยมันมีนะ มันไม่ใช่มีทางแห่งความตายอย่างเดียวทางแห่งความไม่ตายก็คือทางที่ไม่ประมาททางที่ดำเนินไปด้วยสติด้วยปัญญานั่นเอง น, นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ <c oughs> เราควรที่จะได้น้อมนำมาพิจารณาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัตนะิแม้ว่าจะออกพรรษาก็ตามแม้ว่ามันจะเป็นวันไหนก็ตามให้ถือว่าชีวิตของเราเนี่ยมีเพียงขณะเดียวนะก็คือ ขณะปัจจุบันนี้เองนะเราไม่ต้องไปรอว่าเออเดี๋ยวพรรษาหน้าเนาะค่อยมาเข้าพรรษากันใหม่มาฝึกปฏิบัติกันใหม่นะเพียงแค่สามเดือนในอีก9้าเดือนเราก็ปล่อยชีวิตสัมภเลเทเมาไปเพลดิดเพลินไปกับความสนุกสนานนะซึ่งตรงเนี้ก็จะทําให้เราเสียโอกาสและมันไม่แน่นะว่าพรุ่งนี้เราจะตายก็ได้หรือเดี๋ยวตอนสายเราจะตายก็ได้นะเพราะนั้นตรงเนี้เราประมาทไม่ได้เลย เพราะฉะนั้น <c oughs> อย่างที่ได้นําบทกวีของท่านอังคารนะมานําเสนอในเบื้องต้นนะว่าชีวิตก็ดีน้ําก็ดีเวลาก็ดีแปลเปลี่ยนไปนะเราจะกํานันโลกนี้จะทําทประโยชน์สูงสุดนะให้กับลูกนี้ได้อย่างไรควรจะทําอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะก็ควรที่จะได้พิจารณาแล้วนะนะก็ของ อยุตินะด้วยพุทธศาสนาสุภาษิต ท, ที่บอกว่าปรมาโทมุจนโนปรทังนะความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายอัปปมาโทอมัตังประทังความไม่ประมาทเป็นทางแห่งความไม่ตายเจริญพร